ก็ <S <S พวกเราก็มาทําวัดเย็นกันส่วนหนึ่งเนาะก็ที่เหลือก็คงภาวนากันก็อนุโมทนากับทุกท่านนะที่ได้มาภาวนาร่วมกันนะนะที่สุกโตในช่วงเวลานี้หลายคนก็หนีน้ําท่วมไปเที่ยวที่ต่างๆบ้างแต่พวกเราบางคนน้ําอาจจะไม่ท่วมอาจจะท่วมแต่ก็ มาอยู่ที่วัดนาะถือว่าเป็นการมาฝึกหนีภัยในวัตฏสงสารภัยที่เป็นอุทกภัยเป็นวาตภัยเป็นอะไรต่างๆที่เป็นสิ่งธรรมชาติภายนอกบางทีมันเรียกว่ามันบังคับบัญชาไม่ได้มันอยู่เหนือเหนือกําลังของมนุษย์ปุรุชนธรรมดาที่จะไปบังคับดินฟ้าให้เป็นอย่างที่ เราต้องการหรือเป็นอย่างที่ให้มันเป็นอย่างที่ใจเราชอบหรือว่าคนส่วนใหญ่ชอบแต่จริงความทุกข์ที่เกิดจากภัยในวัฏสงสารนะยิ่งเป็นภัยที่น่ากลัวนะภัยจากการเที่ยวเวียนไหวตายเกิดไม่รู้กี่ภพกี่ชาตินะเกิดเป็นมนุษย์บ้างเกิดเป็นสัตว์บ้างเป็นเปรตอยู่ในนรกหรือว่าแม้แต่ เกิดในภูมิชั้นสูงเป็นเทวดาเป women, ็นนางฟ้าเป็นอินเป็นพรมก็เวียนว่ายกันอยู่แบบนี้นะเหมือนกับต้นไม้เติบโตเติบโตเติบใหญ่ขึ้นไปก็ร่วงหล่นใบผลตายไปก็เกิดต้นใหม่ขึ้นเรื่อยๆไม่จบไม่สิ้นนะถ้าเราเริ่มเห็นภัยในวัฏสงสารเราก็จะเออเริ่มหาทางที่จะออกจาก วัตสงสารนี้นะเห็นว่าความทุกข์มาอยู่ทั่วทุกหันทุกแห่งนะในโลกใบนี้หรือว่าโลกที่เป็นโลกที่เป็นภูมิชั้นต่ำหรือว่าเป็นภูมิชั้นสูงก็ยังมีความทุกข์อยู่แม้จะมีความสบายมีความสุขขนาดไหนมันก็ยังมีความทุกข์แฝงอยู่ น, นั้นอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับร่างกายของพวกเราหลายคนที่ยังแข็งแรงยังสบายดี แต่ก็ใช่ว่ามันจะสบายดีแบบนี้ตลอดไปสักวันหนึ่งเราก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยต้องแก่สุดท้ายก็ต้องตายเช่นเดียวกันดังนั้นพอเราเห็นแล้วอ้อบางครั้งหรือว่าในขณะ น, นี้เรามีความสุขมีความสบายไม่ทุกข์ทางด้านร่างกายไม่เดือดร้อ น, นะอะไรมากมายหรือแม้แต่เรื่องจิตใจก็ไม่ทุกข์ร้อนอะไรมากแต่อนาคตมันก็ไม่แน่ถ้าต้องแก่ต้องเจ็บสุดท้ายต้องตาย ต้องพัดภาคสูญเสียต้องเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดมาก่อนมันจะทุกข์มากขนาดไหนการที่เรามาเตรียมตัวเตรียมใจนี่ก็เลยเป็นสิ่งที่สําคัญนะในการเตรียมตัวเตรียมใจในการปฏิบัติธรรมเนาะบางทีมันก็เรียกว่ามันก็ฝืนเนาะบางทีก็ต้องฝืนใจปฏิบัติไปก็ง่วงบ้างสารพัดนะไม่เคยง่วงขนาดนี้มันก็ง่วงนะถ้าเป็นอยู่ที่บ้านก็ขอไปนอนพัก ขอไปเปลี่ยนนิยาบทแล้วนะแต่อยู่ที่นี่นะก็ไม่ได้นะครูบาอาจารย์ท่านเข้มงวดเพื่อนฝูงเขาไม่นอนเราจะไปนอนได้อย่างไรนะเรื่องการกินเรื่องที่พักอาศัยก็ไมไ่สะดวกสบายเหมือนที่บ้านเรามันก็ต้องฝืนบ้างนะฝืนความเคยชินเก่าๆที่เป็นความสะดวกสบายเป็นความอยากบ้างในชีวิตนี้แต่พอเรารู้จักฝืนมันบ้างจะเห็นว่าอ้อที่จริง ไอ้ที่มันตามความอยากมาตลอดมันไม่ใช่จะทําให้เราเกิดความสุขเกิดความสบายแ ท, ท, ท้จริงหรอกแต่การตามความอยากอันนั้นแหละจริ่งทํามาให้เร า, าทุกข์มากกว่าเก่าเพราะว่าเมื่อเราทําตามความอยากมันก็สนองความสุขให้เรานิดนึงแต่สุดท้ายมันก็เพิ่มนิสัยที่ไม่ดีให้กับจิตใจขึ้นไปมากขึ้ น, นเรื่อยๆกลายเป็นคนที่ติดสุขติดสบายติดความาเรียกว่าติดสิ่งดีๆนะ จนไม่สามารถเรียกว่าอยู่กับสิ่งที่มันไม่สะดวกสบายได้แต่พอเรามาฝึกอ่าหรือบางทีก็ฝืนบ้างบางทีก็อดทนอดกั้นบ้างง่วงนอนปวดแข้งปวดขาอยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะกินอยากจะเที่ยวนะต้องอยู่ให้มันได้แล้วก็ได้เห็นจิตใจของเราอ๋อที่จริงมาเห็นจิตเห็นใจที่บางทีมันก็ดูไม่ไหว บางทีก็มีอารมณ์ท้อๆอยากจะถอยอยากจะกลับอยากจะเลิกอยากจะพักเออเนี่ยมันก็เห็นอ้อแต่พอเราฝืนทนสักหน่อยมันก็อยู่ได้เนาะมันก็ผ่านไปได้เนาะมันก็ไม่เป็นไรเนาะน่ะไอ้ที่มันท้อมันถอยเมื่อสักครู่นี้เออตอนนี้มันก็ไม่ท้อไม่ถอยแล้วนะก็เห็นอ้อจิตใจมันก็เป็นของไม่เที่ยงไม่แท่งแท้แน่นอนเมื่อกี้มันท้อคราวนี้มันก็เฉย หรือบางวันมันท้อวันนี้มันสบายแต่เกินภาวนาไปเพลิดเพลินสนุกสนานไม่อยากทานข้าวไม่อยากทานน้ำปานะไม่อยากหลับไม่อยากนอนมันก็มีบางวันดีบางวันร้ายบางวันเฉยหรือแม้แต่บางทีวันเดียวกันก็มีทั้งหลากหลายอารมณ์เกิดขึ้นเห็นไหมว่าอ๋อจิตใจมันเป็นแบบนี้ในเองถ้าเราคอยเอาความสุขตอนที่มันดีเอาความทุกข์ตอนที่มันไม่ดี เอาความเฉยเออดเอาความปกติตอนที่มันเฉยไปเอาสุขเอาทุกข์เอาความเฉยๆกับอารมณ์เอาไม่ได้หรอกเพราะว่าของต่างๆนี่มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นการปฏิบัติธรรมคือเรามาเห็นอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในจิตในใจนี่แหละผ่านการยกมือเคลื่อนไหวผ่านการเดินจงกรมผ่านการฝึกผ่านการฝืนใจตัวเองบ้างแล้วก็คอยสังเกตดูอ้อ ธรรมชาติเป็นจิตใจเป็นแบบนี้นี่เองเราปฏิบัติธรรมนะเพื่อย้อนกลับมาเห็นจิตใจของเราเองนี่แหละนะไม่เห็นว่าจิตใจมันคอยหลอกคอยร้อนคอยรวงนะให้เราทุกข์ให้เราทุกข์ากมากมายขนาดไหนถ้าเรากลับมาเห็นจิตใจตัวเองมากเท่าไหร่นะอันนั้นแหละยิ่งจะทำให้เราเรียกว่าออกจากความทุกข์ได้มากเท่านั้นนั้นหัวใจของการภาวนาจะเป็นวิธีไหนก็แล้วแต่ เราดูกายที่เคลื่อนไหวเพื่อให้เห็นจิตใจที่มาคิดนึกปรุงแต่งนี่แหละเห็นอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นภายในจิตใจนะดูกายนะไม่ใช่เห็นแค่กายแต่บางทีมันเด่นที่กายแล้วก็ดูกายของมันไปแต่พอจิตใจความคิดนึกปรุงแต่งเกิดขึ้นให้รู้ทันมันเห็นมันไม่ใช่ไม่ใช่เราเป็นผู้คิดผู้นึกผปรุง ผ, ผู้แต่งจิตใจมันคิดมันปรุงมันแต่งเองสติแต่ทาหน้าที่ดู หน้าที่เรียกว่าถอนออกจากความทุกข์ถอนออกจากความคิดนะถ้าเรามีสติจะเห็นว่าอ้อกายที่เคลื่อนไหวมันเป็นส่วนหนึ่งกายที่ยกมือกายที่เดินกายที่ทํานั่นทนํานี่มันก็ทำของมันไปเหมือนกับหุ่นยนต์ที่มันเคลื่อนที่นะของมันไปแต่จิตใจมันก็เป็นส่วนหนึ่งเดี๋ยวก็ปรุงแต่งเดี๋ยวก็ไม่ปรุงแต่งก็ดูมันไปสติมีหน้าที่ถอนออกมาเป็นผู้ดูดูกายเคลื่อนไหว จะเคลื่อนไหวท่าไหนจะหยุดนิ่งอย่างไรจะสุขจะทุกข์เรื่องของกายไม่ใช่เรื่องของเราเห็นกายที่มันเคลื่อนไหวมันก็เป็นแบบนั้นของมันเองก็ดูลงที่ปัจจุบันเลยอ๋อกายเคลื่อนไหวก็ดูที่ปัจจุบันดูความทุกข์ดูความสุขที่เกิดขึ้นกับกายดูการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับกายดูการบังคับบัญชาไม่ได้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะที่มันเกิดขึ้นกับกายจะจิตใจก็เหมือนกันอ้อจิตใจ มันคิดนึกปรุงแต่งก็รู้ทันมันจิตใจไม่คิดนึกปรุงแต่งก็รู้ทันมันจิตใจมันสุขก็รู้ทันมันจิตใจมันทุกข์ก็รู้ทันมันจิตใจมันเฉยก็รู้ทันมันหน้าที่ของเราคือเป็นผู้ดูมันดูทุกอาการที่เกิดขึ้นกับกายแล้วก็กับใจโดยใจที่เป็นปกติใจที่เฉยเฉยไม่เข้าไปบวกไม่เข้าไปลบไม่เข้าไปพอใจไม่พอใจกับทุกอาการที่เกิดขึ้นกับทั้งของกายและของใจ แต่บางคราวมันเผลอเข้าไปสุขไปทุกเผลอเข้าไปเป็นบ้างก็ไม่เป็นไรก็ถอนออกมาเป็นผู้ดูผู้เห็นมันใหม่นะเผลอเข้าไปจมกับอารมณ์แล้วก็ถอนออกมาใหม่เผลอเข้าไปจมกับอารมณ์ก็ถอนมันใหม่ก็ไม่เป็นไรนะถ้าเราปฏิบัติธรรมแบบในใจนะบางทีมันก็มีอาการมีอารมณ์เกิดขึ้นมากมายมีแต่บอกว่าไม่เป็นไรไว้ก่อนนะมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่เป็นไรไม่ใช่จะเอาแต่ดีไม่เอาจตเอาแต่สุข มันไม่ดีมันไม่สุขก็ are, ไม่เป็นไรก็ดูมันไปมันดีมันสุขก็ไม่หลงไปกับมันนะถ้าเราไปหลงกับสิ่งที่ดีสิ่งที่สุขมันก็เป็นความหลงเหมือนกันนะความทุกข์เกิดขึ้นก็ดีให้เห็นให้ออกมาความสุขเกิดขึ้นความสบายเกิดขึ้นอ่ะก็ดีให้เห็นจะได้ไม่ติดไม่ไม่ติดสุขไม่ติดสบายนะถ้าเราภาวนาแบบเรียกว่าอะไรก็ได้ที่มันเกิดขึ้นนะไม่ใช่ ต้องเป็นแบบนั้นต้องเป็นแบบนี้ต้องไม่ง่วงต้องไม่คิดต้องดเดินได้นานๆต้องนั่งได้นานๆต้องเพลินๆอะไรแนั้นถ้าเราไปคิดว่าต้องเอาแต่แบบนั้นนะมันจิตใจเรียกว่ามันมีความอยากเครือบนะเครือบไว้นะจิตใจไม่เป็นปกติหรอกมันมีความอยากจะให้มันดีนะมันก็ไม่เป็นปกติแล้วให้เรารู้ทันอ้อจิตมันมีความอยากที่อยากจะให้มันดีอยากให้มันสบายก็รู้ทันมัน ความอยากมันก็คายออกมาชั่วคราวแต่ถ้าหลงไปคิดอยากใหม่นะความอยากก็จะเข้ามาเครือบจิตใจอีกแล้วก็รู้ทันมันนะก็รู้ทันมันอ่ะก็ไม่เป็นไรก็ออกมาใหม่ออกมาใหม่นะถ้าเราเป็นผู้ดูมันเนาะอะไรเกิดขึ้นอก็ไม่เป็นไรทั้งนั้นไม่เป็นอะไรกับอะไรทั้งนั้นนะทั้งเรื่องของกายทั้งเรื่องของใจหนะ้าที่เราคือเป็นผู้ดูผู้ดูเนี่ยแหละจะเป็นผู้ที่ศึกษา เมื่อจิตเป็นผู้ดูเป็นผู้รู้หรือว่าเป็นผู้ที่มีสติจะทำหน้าที่ศึกษาศึกษาอะไรไม่ใช่ศึกษาเรื่องนอกตัวศึกษาเรื่องกายเรื่องใจนี่แหละศึกษาเรื่องรูปเรื่องนามนี่แหละศึกษาไปเรื่อยๆเหมือนกับนักศึกษานักเรียนเรียนมากๆก็จบปถม ม, มัธยมปริญญาถึงด็อกเตอร์ได้จิตใจที่เป็นผู้ศึกษาที่มีสติก็เหมือนกัน เรียนเรื่องกายเรื่องใจเรื่อยๆก็จะมีปัญญานะเรียนจบเรียนครบเรียนท้วนปัญญานะที่เป็นปริญญาของพุทธศาสนาเนี่ยเป็นปริญญาเพื่อความไม่ทุกข์ทันั้นถ้าเราภาวนาไปเรื่อยๆจะเห็นเลยว่าอ๋อความทุกข์เนี่มันไกลออกไปมากจริงๆนะคล้ายๆเหมือนกับกองไฟอ่านะพอเราไม่ศึกษาดีๆนะเหมือนเราอยู่ในกลางกองไฟเลยนะเจอความทุกข์ความร้อน ก็เข้าไปเป็นผู้ทุกข์ผู้ร้อนเจอความสุขความสบายก็เข้าไปเป็นผู้หลงกับความสุขความสบายแต่พอเรามีสติออกมาเราจะถอยออกมาจากกองไฟนะถอยออกมาก็จะเห็นอ้อความร้อนมันน้อยลงเรื่อยๆน้อยลงเรื่อยๆเจิทั้งมันมีที่ที่ไม่ร้อนก็มีทั้งกลางกองไฟก็มีสิ่งที่ไม่ร้อนอยู่ในนั้นก็มีนะเพราะว่าอะไรกองไฟไม่ใช่เรากองไฟมันเกิดขึ้นอยู่ตรงนั้นแต่เราไม่ใช่เข้าเป็นผู้ที่อยู่ในกองไฟ ถ้าเรามีสติเห็นอ้อความทุกข์มันเกิดขึ้นกับกายเนาะไม่ใช่เกิดขึ้นกับเราความทุกข์ความสุขเกิดขึ้นกับจิตใจไม่ใช่เราเป็นผู้สุขผู้ทุกข์กับเรื่องของจิตใจพอเราเห็นนะไม่ได้เข้าไปเป็นแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่ต้องทำแล้วนะมีแต่ต้องฝึกแบบนี้บ่อยๆจนทั้งจิตมันมีหน้าที่เป็นผู้ดูผู้เห็นอาการต่างๆจนทั้งมันไม่เข้าไปกระโจนเข้าไปเป็นกับทุกอาการ ใหม่ๆ ม, มันอาจจะเข้าไปเป็นมากนะเราก็ทำหน้าที่ถอนการทน้ที่ถอยทำาที่ออกมาบ่อยๆนะเหมือนกับความคิดบางทีมันคิดยาวเป็นหลายเรื่องติดต่อกันไปเป็นหลายนาทีหรือบางคนจะรู้สึกบางทีหลายาหลายสิบนาทีเป็นชั่วโมงก็มีคิดจนนั่งไม่รู้สึกตัวพอเรารู้สึกตัวอ้อก็จะออกจากความคิดได้บ่อยขึ้นนะบางทนะีเราเรียกว่าวัด การภาวนาของเราได้ง่ายๆถ้ามันคิดมากนะเราก็จะคิดสั้นลงเรื่อยๆนะไม่คิดยาวอาจจะคิดมากไม่เป็นไรแต่จะไม่คิดยาวถ้าเรามีสติรู้ทันนะมันจะคิดนิดเดียวแล้วก็รู้ทันคิดนิดเดียวแล้วก็รู้ทันจะสุขจะทุกข์ก็เหมือนกันเกิดขึ้นแล้วก็รู้ทันมันเร็วนะไม่เข้าไปหลงไม่เข้าไปเป็นกับมันนะจนกระทั่งบางทีแม้แต่ความคิดความหลง บานทีก็นานๆานเกิดขึ้นทีเพราะว่าอะไรสติมันจะอยู่กับความเป็นปกติอ้ออะไรเกิดขึ้นมันไม่เข้าไปสุขกับทุกข์มันแล้วมันอยู่ในที่ที่มันไม่สุขไม่ทุกข์อยู่ในที่ที่มันเป็นปกติอยู่ก็มีอันนี้เนาะก็พวกเราก็ต้องสังเกตที่ตัวของเราเองนะครูบาอาจารย์ก็ทำหน้าที่เป็นกันยาณมิตรนะหลวงพ่อพระ อ, อาจารย์ ต่างๆก็ทนะําหน้าที่เป็นการณิรมิตรให้กับพวกเราแต่ก็ไม่มีใครทําให้เราได้เนาะมีแต่พวกเราต้องฝึกต้องหัดต้องเรียนรู้ต้องอาศัยเทคนิคต้องอาศัยความเพียรต้องอาศัยความอดทนต้องอาศัยหลายๆอย่างซึ่งพวกเราต้องเคี่ยวตัวเองนะออทําให้กันไม่ได้แต่ทุกคนทําได้มันคือทําให้กันไม่ได้แต่พวกเราทุกคนเนี่ยทาได้ทุกคน แต่ขอให้มีความเพียรขอให้มีความตั้งใจขอให้มีความอดทนขอให้มีสตินะมีปัญญาในการสังเกตตูบ้างนะไม่ใช่สังเกตที่ไหนหรอกสังเกตที่กายที่ใจแต่เองนี่แหละนะเคล็ดลับไม่อยู่ที่ไหนเคล็ดลับอยู่ที่กายที่ใจนี่แหละเคล็ดลับที่หลวงพ่อเทียนท่านให้ไว้ก็คืออะไรเกิดขึ้นก็แล้วแต่ออกมารู้สึกตัวก่อนความคิดเกิดขึ้นไม่เป็นไรออกมารู้สึกตัวก่อนนะทุกขทุกข์เกิดขึ้นไม่เป็นไร กลับมารู้สึกตัวก่อนถ้าเรากลับมารู้สึต ก, กสตัวได้เนี่ยแหละเป็นที่อยู่ที่ไม่เป็นอะไรเป็นที่อยู่ที่จิตมันเป็นปกติเมื่อกลับมารู้สึกตัวแล้วจิตมันเป็นปกติของมันเองไม่ต้องทำอะไรสุกขทุกข์มันหายไปไหนก็ไม่รู้แต่ตอนนี้เรารู้สึกตัวแล้วพอแล้วเมื่อกี้ Jean มันหลงไปก็ไม่เป็นไรอนาคตมันจะหลงใหม่ก็ไม่เป็นไรตอนนี้กลับมารู้สึกตัวก่อนเนี่ยเรากลับมารู้สึกตัวบ่อย เมื่อเรามีสติรู้สึกตัวบ่อยๆอันนั่นแหละเป็นที่อยู่ของนักปฏิบัติธรรมจะยืนเดินนั่งนอนเดินจงกรมทานข้าวหรือทำอะไรก็ได้แต่สุดท้ายเรากลับไปบ้านไปทำงานอย่างอื่นจิตมันก็ยังเป็นปกติในการรู้สึกตัวไม่เข้าไปหลงไม่เข้าไปเป็นกับอาการต่างๆเกิดขึ้นอันนี้แหละคือการภาวนาของพวกเราเนาะก็พยายามตั้งใจกันนะตั้งใจทาให้มันเต็มที่แต่อย่าไป คาดหวังคาดคั้นว่ามันจะต้องได้ต้องบรรลุทำต้องเห็นทำต้องอะไรต่างๆภายในกี่วันกี่เดือนกี่ปีอะไรอย่าไปคาดหวังคาดคั้นทําให้มันอยู่กับปัจจุบันตรงนี้กลับมารู้สึกตัวที่ปัจจุบันนี้ก็พอละไม่ต้องไปหวังผลอะไรนะทำที่เหตุให้มันดีนะเดีผลจะเกิดขึ้นเองเหตุที่เราควรจะทาคือรู้สึกตัวเมื่อเราทําเหตุรู้สึกตัวแล้วผลที่เกิดขึ้นก็คือความไม่ทุกข์ก็เกิดขึ้นเอง ความไม่ทุกข์ไม่ใช่อยู่ที่อนาคตไม่ใช่อยู่ที่ตอนเป็นพระอรหันต์แต่อยู่ที่ตอนนี้รู้สึกตัวไหมถ้ารู้สึกตัวแล้วตอนนี้ก็เป็นผู้ที่มีสติเป็นผู้นี้มีปกติแล้วอันนี้ก็พอละนะจะเป็นอะไรก็แล้วแต่จะมีใครรับรองหรือไม่ก็ไม่เป็นไรว่าแต่เรารับรองตัวเองได้ว่าตอนนี้เราทุกข์หรือไม่ทุกข์รับรองตัวเองได้ไหมถ้าเรารับรองรับรองตัวเองได้ก็พอละนะ ทดลองตัวเองได้รู้ทันตัวเองได้รู้จักตัวเองอันนี้แหละคือสิ่งที่สําคัญที่สุดเนาะก็กลับมารู้จักตัวเองดีๆแล้วก็จะเห็นว่าที่แท้จริงตัวเองตัวตนจริงๆมันไม่มีหรอกมันมีแต่สมมุติที่เรียกสมมุติที่ใช้สมมุติที่ต้องเกี่ยวข้องกันเฉยๆแต่แท้ทจริงๆแล้วตัวเราเองไม่มีหรอกนะมีแต่กายมีแต่ใจมีแต่ท่าสี่ขันห้าที่ประกอบกันชั่วคราวเท่านั้นนะ มีแต่เรื่องของสมมุติทั้งนั้นเรื่องความจริงแล้วไม่มีอะไรทั้งนั้นนะก็ขอเมื่อเราได้ตั้งใจภาวนาเนาะนะธรรมะไม่อยู่ที่ไหนนะอยู่ทีก่การภาวนาที่เราเห็นกายเห็นใจนี่แหละนะกายและใจเนี่ยจะสอนธรรมะให้กับพวกเราทุกคนนะก็ข อ, อาฝากไว้เพียงแค่นี้นะอย่างการพรกผอมกัน